จิตเนี่ยเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่งหมุนเวียนไปเรื่อยเรนะลองดูซิตั้งใจฟังหลวงพ่อขณะเนี้ยรู้สึกไหมบางทีก็มองหน้าไหมมองหน้าหลวงพ่อบ้างเห็นคนยกมอกข้าวมามองหน้ามองคนยกมอกข้าวนะทีก็จินตนาการต่อมันมีอะไรกินตรนนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยพวกแถวนี้น่าสงสารนะเถอเนี่ยจะได้กลิ่นอาหารโชย <c oughs> พระหลวงพ่อยิ่งน้าสงสารกว่า ก็พวกเรานะกินข้าวครั้งสุดท้ายเมื่อสิบกว่าชั่วโมงก่อนพระฉันข้าวครั้งสุดท้ายเมื่อยี่สบสี่ชั่วโมงก่อนเห็นไะหมหลวงพ่อพูดแค่นี้หนีไปคิดอุตรลุดเลยรู้สึก <S <S <S ไหมเห็นไหมใจนะเดี๋ยวก็ดูหลวงพอ่อใช่ไหมเดี๋ยวก็ฟังฟังฟงไปนะกลิน่นโชยมาสนใจใช่ไหมไปดมกลิน่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะได้ลิ้มรสแล้วนะอีกสักครู่ใจเย็น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 คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างความทุกข์ทางใจให้ตัวเองนะไปดูนะพวกที่มาเรียนลองดูสิจริงไหมคนอื่นสร้างปัญหาให้เรานะแต่เราสร้างทุกข์ให้ตัวเองนะอย่างเขาด่าเนี่ยเขาด่าใช่ไหมเขาด่าเราไม่ชอบใจไม่ชอบเลยเกลียดมันขึ้นมาใจก็ทุกข์แล้วเขาชมใช่ไหมดีใจใจก็ดิ้นไปดิ้นมาดูยากว่าทุกข์นะมีความสุข